วิชาส่งกันบ้านก็ดีนะสมถะมันจําเป็นอ่ะเหมือนมีดดาบสองคม <c oughs> ใช้เป็นก็มีประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็ติดจะมีประโยชน์นะอยู่ที่เรารู้จักเลือกใช้จังหวะไหนควรจะทําสมถะก็ทากําจังหวะไหนควรจเจริญปัญญาก็ต้องจเจริญปัญญา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 จริงๆนะไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้หรอกสติเป็นอนัตตามันมีเหตุมันก็เกิดในจิตมันจำสภาวะทีม่มได้มันต้องเกิดสติดีแล้วนะภาวนาดีขึ้นแล้วใจค่อยเบาลงเบาลงภาวนาถูกต้อง ใ, ใจจะเบาสบาย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 แล้วเคยฝึกมาแบบไหน จริงๆเรียนให้ได้สัมมาสมาธิจริงๆนะส่วนมากพวกเรารุ่นหลังๆเข้าวาัดป่าเนี่ยชอบไปทำวิชาสมาธินนั่งราเคลิ่มงอกแนกงอกแน ก, กนะอย่างนั้นไม่ดีนะสัมมาสมาธิจริงๆรู้สึกมันต้องรู้สึกตัวไม่ขาดสติจิตจะรวมจิตจะสงบอะเนี่ยต้องรู้สึกอย่าให้ขาดสตินะคอรู้สึกตัวเรื่อยๆนะถึงเวลาจะทาทความสงบเข้ามา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 รู้สึกตัวเป็นไหมอ๋อนี่ก็อยู่กับกระดูกไปการทำอธิกรรมฐานทำมรณสสตินะเป็ น, นเรื่องของสมถะนี่พอทำสมถะแล้วเนี่ยปแปลวจริงก็ง เ, เกิดนิมิตเราเห็นกระดูกหรือยังเห็นกระดูกไหม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 uh -huh.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 นะอย่างที่ทำมาก็ถูกต้องแนละ รู้สึกไหมเหลอแล้วตอนนี้รู้สึกไหมแค่รู้ทันนะนเล่าไปเล่าต่อไป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 นะดีที่รู้อันนี้มันเกิดจากความจงใจจะปฏิบัติความจงใจจะปฏิบัติเนี่ตั้งขึ้นมาอย่างี้ยอ่ากลัวสิใจถึงถึงไว้กิเลสไม่ได้มีไว้กลัวนะกิเลสมีไว้รู้และกิเลสอยู่ในกองทุกข์อย่กลัวมันนะกลัวมันก็ใจฟอกงั้นเห็นภายในสังสารวัฏจนะเห็นถูกต้องแหละสมควรถูกต้องนะไย่าไปกลัวมัน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 เราฝึกไปนะจนใจเราเหมือนเรือลําใหญ่ๆที่ทอดสมออยู่ในน้ําเรือไม่ต้านน้ํานะเรือไม่ต้านน้าน้ําก็ทํำลายเรือไม่ได้จิตก็เหมือนกันอย่าไปต้านกิเลสกิเลสเกิดขึ้นให้สัตว์ว่ารู้สักว่าเห็นมันจะไหลหผ่านไปเฉยๆไม่มีอํานาจทําลายล้างถ้าเราคิดจะตอบสู้กับมันเนะี่ยนจะสู้กันดูเดือนสู้กันนานแั่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกให้คล้อยตามกิเลสนะกิเลสมาเนี่ยให้มันไหลผ่านเราไป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 ช่วยไม่ได้หลวงพ่อก็เคยถามหลวงปูเทพแต่ก่อนเนี้ยหัดใหม่ๆจิตมันเที่ยวรู้ออกไปข้างนอกเยอะอย่างความรู้สึกนึกคิดอะไรมากระทบนะใจมันก็รู้ที่รู้ข้างนอกอะสิ่งต่างๆมากระทบแล้วมันกระเทือนโอ้ลาบากทั้งวันทั้งคืนไปถามกลัเรียนถามหลวงปุ่เทพหลวงปู่ผมจะตายแล้วทําไง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 ให้อะไรนะอ๋ออืมเออดูไ ป, น, ไปนี่าิปกลัวมันกายก็อันหนึ่งนะเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตตสังขารกุศลอกุศลทุกทุกดีชั่วอะไรก็อีกอันหนึ่งนะแยกออกไปเรื่อยแยกออกไปส่วนเลยแต่ธาตุล้วนเดี๋ยวล้วนๆให้ฝึกไปดีแล้วละ่ะทํามาได้ดีแล้วนะเป็นลูกมีพ่อมีแม่ดีแล้ว <laughs> คนทาอนาถาไม่มีพ่อมีแม่ น, นึกนึกเอาเองจะทำเอาเอง <c oughs> นึกเองทําเองไม่ได้นะเรามันสาวกภะฟูมรู้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกเนี่ยทําอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ทําอะไรนะหลงแล้วนะทีเนี้ยนักคุณพาราดาคุณพาร า, า, <c oughs> า, าดาหรือพาราดอน <c oughs> เอาพาาดา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 มันไม่เปลี่ยนเลยเหรอมันเที่ยงเหรอมันเที่ยงจริงเหรอรูรอ้ตัวไปหลงละแล้วก็อยากจะหลับก็รีบๆหลับไปไม่ต้องทำอะไรนะตื่นขึ้นมาแล้วค่อยทำอาอก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 จิตมันจะหลงไปคิดจิตมันจะปรุงกิเลสห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้เกิดไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ไม่ได้มันจะเป็นจิตหรือมันจะเป็นใจมันก็ของไม่เที่ยงไม่สุดเห็นแต่ของว่าไม่เที่ยงหมดเลยเสมอกันมันไม่ใช่ไปเกลียดว่าใจหลงไปคิดนะใจหลงไปคิดรีบรู้ไวๆแลตื่นขึ้นมาแวบเดียวเขจะหลงไปคิดครั้งใหม่หลงไปคิดใหม่รู้อีกรู้อีกก็ตื่นอีกสลับไปอย่างเนี้ยถึงว่าหนึ่งปัญญามณได้แจ้งขึ้นมา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 จริงๆแล้วทุกคนก็อยู่คนเดียวเท่า น, น, นะนั้นแหละจุดหนึ่งก็อยู่คนเดียวทุกคนนะ่ะตายคนเดียวเนานะต้องสู้เอานะ อ, าอย่าไปกลัวนะกลัวกิเลสอย่า ก, กลัวมากจนกระทั่งประคองนิยามให้มันขยับนลยกลัวประคองความรู้สึกเอไว้ไม่ถูกนะให้รู้ทันนะรู้ทันประคองไว้รู้ทัน คืนประคองไปได้่อยๆกิเลสไม่ตายนะกิเลนยิ้มหวานเลยยายคนนี้มันรักตัวเองมันกลัวตัวเองจะทุกข์นเลยประคองเอาไว้